วิธีสลัจีวรที่เป็นนิสกีสลาแกสงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงผมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แกพรรษานั่งกระโยงพระนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้กระผมรับมาจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติโดยไม่ได้แลกเปลี่ยนกันเป็นนิสกีกระผมสลจีวรพืนนี้แกสครั้นสลแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนผนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ท่าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนผนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป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 พึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผื น, นนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผื น, นนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมอุตราสงฉเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า